ตรงกับวันที่สิบพฤศจิกายน2552้าห้าบสองเป็นวันปฏิบัติธรรมของพวกเราวันหนึ่งขอให้พวกเราถึงจะมีงานภายนอกอย่างไรก็าตามอย่าลืมหน้าที่หลักของพวกเราหน้าที่หลักของพวกเราก็คือจิตตภาวนาไม่ต้องพูดถึงทานศีลภาวนา เรื่องจิตตภาวนาเป็นงานหลักของพระเพราะนั้นถึงจะมีงานอย่างไรข้อตามถึงจะอยู่ในสภาพไหนข้อตามถึงจะมีกิจธุระมากมายขนาดไหนข้อตามให้อย่าลืมหลักที่พวกเรายึดมั่นก็คือจิตตภาวนา จิตภาวนาเป็นหน้าที่หลักของพวกเราท่านทั้งหลายจิตตภาวนาเราไม่ใช่ว่าเราจะประกาศหรือว่าโอ้อวดใครเรามีแต่นั่งดูจิตใจของตนเองยืนเดินนั่งนอนให้ดูจิตใจของตนเองขณะนี้เวลานิจัยของเราคิดเรื่องอะไรนี่แหละคือจิตภาวนา ตัวจิตตะคือวจิตเอาสติกำหนดดูจิตเอากสติกำหนดดูใจอย่าให้ใจของเราปุ่งฟุ้งออกไปข้างนอกนี่แหละคือหน้าที่ของพร ะ, ห น, พระหน้าที่ของพวกเราอยู่ปฏิบัติธรรมอยู่ในวัดอย่างอื่นหน้าที่อย่างอื่นมันพลาดมาพลาดมาเกยเราก็ต้องทำเพราะเรายังมีธาตุขันอยู่ เรายังมีร่างกายอยู่ยังมีธาตุสี่อยู่จะต้องได้ปุนปือดูแลบำรุงรักษาเราก็จะต้องทำไปแต่ถึงอย่างไงถึงจะทำไปดูแลร่างกายของตนเองขนาดไหนก็เถอะแต่ก็อย่าลืมทางด้านจิตใจเรื่องจิตใจเป็นสิ่งจำเป็นสำคัญอย่างยิ่งที่พระพุทธเจ้าเน้นหนักอย่างมากเรื่องรูปธรรมเลย พอเป็นพอไปเป็นวันๆมีอยู่มีกินพอใช้พอสอยเป็นวันๆถึงจะเราจะทะโนถนอมกอมเกา่าเลี้ยงดูดีขนาดไหนร่างกายของเราก็ยังแกไม่มีวันที่จะหนุ่มไปข้างหน้ามีแต่แกผลันสุกก็ถึงจุดจบคือความตายมีสิ้นสุดของชีวิตร่างกายมีที่จุดจบใครจะเร็วใครจะช้า พวกเราท่านทั้งหลายได้เห็นเห็นกันอยู่ถึงจะพูดหรือไม่พูดพวกเราก็รู้แก่ใจพวกเราบัดมาปฏิบัติธรรมถึงขนาดนี้อายุถึงขนาดนี้ผ่านโลกมาถึงขนาดนี้แล้วพวกเราก็รู้แล้วที่ผ่านมาเป็นยังไงที่เห็นเห็นมาเป็นยังไงและข้าไปเจ้าละ่ะตัวของเราละ่ะจะเป็นยังไงจะไม่เป็นอย่างเขาใช่ไหมก็ไปน่าจะเป็นอย่างนั้น พวกเราท่านทั้งหลายเหมือนกับเขาเราเหมือนกับเขาไม่แพ้กันถึงเขาจะเลี้ยงดูดีขนาดไหนร่างกายก็ยังเป็นอื่นอยู่เสมอร่างกายไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราเพราะนั้นหลักของพุทธพุทธศาสนาทำคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าท่านจึงไม่ให้ลุ่มหลงอในกายของเราจนเกินไปเมื่อเรามีอะไรเราทําไป ดูแลไปเสนาชนะที่พักพ้าอาศัยที่จะให้ร่างกายของเราได้รับได้พักได้ผ่อนได้รับได้นอนได้อยู่ได้ฉันได้รักษาโรคภัยไข้เจ็บมีผ้านุ่งหม่มเครื่องอวยความสะดวกเราก็ดูให้เป็นอย่างพระให้ทําอย่างพระให้ดูอย่างพระให้ดูแลปฏิบัติอย่างพระ ถึงจะปฏิบัติหรือดูแลดีขนาดไหนส่วนลึกของใจเราให้คิดไว้อยู่เสมอว่าถึงข้าพเจ้าจะดูแลดีขนาดไหนร่างกายร่างกายนี่ก็ยังแก่นะแลวก็มีจุดจบนะใจนะอย่าลืมอย่าหลงนะอย่ามัวเมากับร่างกายจนเกินไปนะใจนะะอันนี้คือในใจส่วนลึกของใจของเราแต่ละคนให้นึกคิดไว้อยู่เสมอ อย่าไปหลงอย่าไปลืมอย่าไปชลาใจอย่าไปหลงโลกหลงทางอย่าไปหลงวัฏสงสารวัฏสงสารเนี่เปลี่ยนไหวาตายเกิดอยู่เนี่ไม่รู้กี่พบกี่ชาติกี่ร้อยกี่พันกี่หมื่นกี่แสนชาติมาแล้วพวกเรายังชาตินี้เป็นชาติที่พวกเราได้พบพระพุทธศาสนาได้พบพระธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าพวกเราควรจก ให้ควรไตร่ตรองพิจารณาด้วยเหตุด้วยผลเมื่อได้ยินทำคําสั่งสอนของพระพุทธเจ้าได้ศึกษาทำมาแล้วควรจะนํามาสอนใจของเราดูจิตใจของเราอย่าให้มันลุ่มหลงพยายามทำภพชาตินี้ให้สั้นที่สุดอย่าให้เวียนว่ายตายเกิดไปอีกนมนานเกิดมาพบหน้าชาติหน้าพวกเราก็อาจจะได้เจอได้พบอย่างนี้แหละ เพอเพออาจจฉัดถล่าลึกลงไปกว่านี้อาจจะมีเคราะห์เข็นเวรกรรมอะไรก็ไม่รู้อาจจะถูกฆ่าถูกตีถู ก, ถกน้ำท่วมไฟไหมมันมีมากมายอย่างพวกเราท่านทั้งหลายเห็นแต่ชีวิตนี้ของพวกเราก็เถอะกายยังรับประกันไม่ได้ต่อไปภายภาคหน้ามืลือนนิจจงแต่นี้ไปจั้งแต่คำพูดคำนี้หละไป ต่อไปภายภาคหน้าอะไรจะเกิดขึ้นพวกเราก็ไม่มั่นใจเหมือนกันเพราะอนาคตนี่แหละเพราะพรุทธเจ้าท่านไม่ให้นอนใจไม่ให้ไว้วางใจในการเป็นอยู่โลกใบนี้เหมือนกับ เ, เสี่ยงมากๆเนี่ยพระพุทธเจ้าท้วยเสี่ยงมากๆคือไม่ให้ไว้ใจไม่ให้นอนใจไม่ให้คุ้นเชื่อง กับการเป็นอยู่ให้ระมัดระวังเตรียมพร้อมมาอยู่เสมอคือเตรียมใจของเรานะไม่ใช่เตรียมอย่างอื่น่ไม่ใช่เตรียมจัดตราอาวุธที่จะสู้กับใครไม่ใช่ให้เตรียมใจว่าร่างกายของเรานี่ยอีกสักวันหนึ่งฮนะแต่ไม่รู้ว่าวันไหนละหน้าที่ของเราในขณะนี้เราควรทำอย่างไรวันคืนล่วงไปล่วงไปบัดนี้ เราทำอะไรอยู่เนี่ยอย่างที่หลวงพ่อได้พูดเมื่อเช้านี่คำนี้แล้วก็ขอให้พวกเราพยายามดูใจของตนเองจากนั้นขอนั่งสมาธิภาวนากําหนดลมหายใจเข้าออกเป็นหลักธรรมดาการนั่งภาวนามันก็ต้องมีปวดมีเจ็บมีปวดเป็นของธรรมดาเวลาเราทำไร่ทานาทำรั้วทาสวนทำกิจการงานต่างๆมันก็ยังมีความ ปวดความเมือม่อยเมื่อยล้าเหนือ่อยเมื่อยล้ามันก็มีอยู่ทุกระยะบทเพราะเรามีร่างกายยิ่งอายุสูงอายุขึ้นมาแล้วก็ยิ่งพบเห็นสิ่งต่างๆเยอะแยะไปหมดความทุกข์ทรมานของร่างกายเมื่อเรานั่งภาวนาจะไม่ให้เจ็บให้ปวดเลยอย่างนั้นใช่ไหม ใจเราอยากจะให้มันเป็นอย่างนั้นแต่ทามันเป็นไปไม่ได้เพราะมันร่างกายมันเป็นมาอย่างไงมันเคยเจ็บเคยปวดเคยหิวเคยกระหายอย่างไรมันก็ต้องเป็นไปตามมันที่เคยเคยเป็นมาแล้วก็มันก็คงจะเป็นไปอย่างนั้นอีกเพราะฉะนั้นพวกเราก็ให้รู้เอาไว้เวลานั่งภาวนาึกถึงจะเจ็บปวดอย่างไรเราก็ต้องอดทนเมื่ออดทนแล้วก่อนนาใจมาพิจารณาเวทนาเวทนาคือการเจ็บปวด ร่างกายของเราเจ็บปวดนะเจ็บปวดเพราะอะไรเพราะอะไรมันจึงเจ็บปวดเพราะเราให้ความสำคัญในร่างกายเราให้ความสำคัญมันมันจึงเจ็บปวดถ้าว่าเราไม่ให้ความสำคัญมั น, นเราพิจารณาดูซิว่ามันปวดไหนปวดหัวเข่าเวลาเรานั่งหัวเขา่าเวลาคนตายมีหัวเข่าไหมมีแต่ทำไมเอาไฟเผ า, เาช้ำแล หัวเขาหลุดออกจากกันมันเจ็บไหมซากศพมันเจ็บไหมไม่เจ็บเพราะอะไรทาไมจึงไม่เจ็บเพราะใจเขาออกจากร่างไปแล้วความรู้สึกคือใจเนี่ยออกจากร่างแล้วมีแต่ร่างเปล่ามีแต่าธาตุสี่ดินน้ำลมไฟมันจึงไม่เจ็บไม่ปวดเพราะนั้นเราสมมติด้วิว่าสมมุติว่าถึงเราอยู่ในร่างกายก็เถอะแต่เราสมมติว่า เราออกจากร่างกายไปยืนอยู่ข้างนอกอมันปวดหวัวเข่าขึ้นมาถ้าเราไม่ไปรับรู้รับทราบเพราะไม่ไปแบบไม่เข้าไปให้ความสำคัญมันมันจะปวดไหมถึงมันจะปวดเราเราก็รับรู้ว่ามันปวดแต่มันก็ไม่บีบหัวใจเราเพราะเรารู้แล้วว่าใจของเราไปรับรู้มัน ไปให้ความสําคัญมันมันจึงปดวดเพราะฉะนั้นขอให้พวกเราทุกๆ ท, ท่านเมื่อพิจารณาเวทนาต้องพิจารณาอย่างนี้จากนั้นก็แยกกายออกจากเวทนาแยกใจออกจากเวทนาแยกเวทนาออกจากใจใจคือตัวผู้รู้ๆเนะี่ยอย่าไปให้ความสําคัญมันเกินไปถ้าเราไปให้ความสําคัญมันก็ปวดปว ด, ปดจนทนมไม่ไหวแต่ถ้าเราไม่ให้ความสําคัญมันกายก็สักว่ากายใจก็สักว่าใจดูสิ เราไม่ใช่กายกายไม่ใช่เราเวทนาไม่ใช่เราเราไม่ใช่เวทนาเวทนาศัพท์ว่าเวทนาไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราในเมื่อเราพิจารณาอย่างนี้นี่แหละจะเกิดประโยชน์อย่างมากต่อไปภายภาคหน้าเมื่อเวทนาปู่เวทนาโคตรแสเวทนาลุมกระเทือบเราในนาทีสุดท้ายเมื่อเราใจจะขาดเวทนาจะมาลุมมาตุ่มเข้ามาโคตรเวทนาทั้งหลาย ตะคูลเวทนาทั้งหลายจะเข้ามาบีบรัดคอของเราความเจ็บป่วยของเราในช่วงขณะนั้นเราจะแยกออกได้ว่าเราไม่ใช่เวทนาเวทนาไม่ใช่เราแตเวทนามันจะถุมได้แต่กายเท่านัะมันจะไม่มารุมใจของเราใจของเราเนี่ยเพียงจะรับรู้ว่าร่างกายไม่ใช่เรานะเห็นไหมเวทนามันเล่นงานกายแล้วแต่เราไม่เข้าไปแบกมันไม่ไปเข้าไปรับรู้มัน มันก็จะเกิดประโยชน์อะไรใจของเราก็อยู่แต่ใจนี่แหละคือเราทำใจหรือว่าเราพิจารณาเอาใจถอดออกมาหรือว่าใจมารับรู้ภายนอกเวทนาต้นนั้นก็ไม่สามารถที่จะเหยียบย่ำหรือมาทำลายจิตใจของเราได้แต่ถ้าว่าเราไม่ได้พิจารณาจุดนี้เวทนาเป็นใจใจเป็นเวทนาเวทนารับรู้ร่างกายร่างกายเป็นใจใจยือ คือร่างกายเทเนมมันก็เอาเข้ามาเต็มเป่าเลยทีนี้จใจของเราก็รับเต็มที่ผลที่สุดก็เวทนาเกิดขึ้นก็เบอร์ไปเลยทีนี้เพราะมันเจ็บปวดเเพราะฉะนั้นพวกเราท่านทั้งหลายต้องฝึกหัดเอาไว้เหมือนกันในจุดนี้ควรจะฝึกเอาไว้แต่เนิ่นๆเราจะต้องได้เข้าตลรลมบอลแล้วก็เข้าสนามลบจุดนี้แน่นอนไม่เป็นอย่างอื่น เพราะชีวิตก่อนที่มันจะจากไปเวทนาทั้งหลายโคดแสเวทนาลูกหลานเวทนามันจะมาลุมมาตุ่มเล่นงานพวกเราท่านทั้งหลายเพราะนั้นพวกเราให้คิดเอาไว้แยกแยะเอาไว้ฝึกขัดเอาไว้เวลาเรานั่งภาวนานนิดหน่อยๆเราก็ต้องอดทนอันนี้คือลูกหลานเหลนเวทนามันมาเอาไม้แย่เรานิดหน่อยท่านเองเรายัางสู้ไม่ไหว ถ้าเวทนาพ่อแม่ของเวทนาใช้สัตรอ์อาวุธเข้ามาทิ่มมาแทงเราเราจะสู้ไหวหรือถ้าว่าตระกูลเวทนาใหญ่ๆมาปีบมาลัดของเราเราจะทํำยังไงเราจะเสียศูนย์ไปไหมในขณะนั้นในช่วงนั้นสิ่งเหล่านี้ก็อยากจะให้พวกเราทุกๆ ท, ท่านนะมาปฏิบัติทำให้เปรียบเทีย บ, บเทียบเคียงดูไม่ใช่ว่าเราภาวนา เจ็บติดหน่อยแล้วก็ออกไปนะก็มันมันก็เร็วจนเกินไปนะแต่ถ้าว่าพวกเราได้พิจารณาเวทนานจุดนี้แล้วเวทนาก็ไม่สามารถที่จะเข้ามาเหยียบย่าจิตใจของเราได้อันนี้แล้วว่า <c oughs> เวทนานุปัฏนาสติปัฏฐานการพิจารณาเวทนานอันนี้ก็หยาบขึ้นมาส่วนหนึ่งกายานุปัฏนาสติปัฏฐานกับเจารณาร่างกาย ร่างกายทุกส่วนมันเป็นอ ย, ย่างไงมีธาตุสีดินน้ำลมไฟในร่างกายของเรากระดูกเนี่ยมันก็บีทั้งดินมีทั้งน้ำมีทั้งลมมีทั้งไฟหนังก็เหมือนกันเส้นผมก็ยังมีดินน้ำลมไฟมันเกิดมาจากไหนมันเกิดมาดูดมาจากน้ำํำทํามันไปถอนออกมาแล้วไปจิ้มไว้ในแผ่นเหล็กมันจะเกิดได้เหรอมันดูดออกมาจากเนื้อหนังมังสาของเราจากนั้นก็มีมีความอบอุ่น ในร่างกายของเราอบอุ่นแล้วก็มีไฟอมีน้ําคือน้ําเลือดมันดูดขึ้นไปก็มีลมอมีลมคล้ายๆของมันรมของเราเนี่ยดัดเลือดออกไปทุกหัวและแหงในร่างกายในผิวหนังของเราเนี่แหละธาตุลมธาตุดินก็คือมันอยู่ในผิวหนังนั่นนหะดินเนี่ยผมมันเกิดมาจากดินเหมือนกับต้นไม้มันเกิดออกมาจากดินในดินนั่นกันนะั่นอ่ะเอ มันก็กินปุ๋ยกินน้าํากินอะไรแต่ละพืชการเป็นอยู่มันแตกแตกต่างกันผมของมนุษย์ก็เหมือนกันมันอยู่ในธาตุสี่นี่แหละการพิจารณาธาตุสีนั่นก็คือกายานุปัจนาสติปัฐานพิจารณากายพิจารณาเวทนาก็อย่างที่หลวงผมได้อธิบายให้แก่หมู่พวกเพื่อนฟังนะจากนั้นก็พิจารณาถึงจิตคือนามธรรมตัวผู้รู้นึกคิดตัวนึกคิดนั่นคือจิตตานุปัจนาสติปัฐาน ใจตัวนี้นะ่ะมันปิ่นป้อนหลอกลวงตลบตะแลงบางทีก็คิดเพียงหนึ่งบางทีก็คิดเพียงหนึ่งแต่ละพี่แต่ละวันให้พวกเราดูใจของตนเองเขามาบวชในครั้งนี้หรือเขามาเป็นนาคในครั้งนี้ให้มาดูใจของตนเองมันตลบตะแลงถึงขนาดไหนถ้าสติของเราไม่ทันเราจะร้องไห้เพราะความตลบตะแลงของจิตใจของเรานะถ้าถ้าเราจิตใจ ของเราเข้มแข็งสติของเราดีเราจะมองเห็นได้เฮออันนี้เองที่ว่าพญามารที่พระโพธิ้าที่ตันไปสู้กับพญามารพญามารใช่ที่ไหนตัวนี่แหละตัวที่มันมาเล่นงานเราขณะนี้เดียวนี่แหละพญามาร น, นางตันหาราคาอรอดีพญามารโลบโกรงในจิตในใจนี่แหละมันมาเล่นงานเราอยู่ขณะนี้ เราจะมองเห็นได้ชัดในขณะที่ใจของเราเข้าสู่ความสงบในวัฏจิตานุปัฏนานสติปัฏฐานเนี่ยทำอารมณ์คือสิ่งที่มากระทบใจความเสียใจความดีใจมากระทบจิตใจของเราก็หวันไหวไกวแหวงไปตามอารมณ์นั้นๆตัวนั้นก็ไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราอีกเหมือนกันเ่ยมันไม่ใช่กําหนดไม่ได้จะให้ใจดีตลอดก็ไม่ได้จะให้ใจมีความทุกข์อยู่ตลอดก็ไม่ได้ เพราะนั้นสิ่งที่มันแปรปวนอยู่อย่างนั้นจะจัดว่าเป็นของเราของใครอื่นได้ยังไงไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราอีกเหมือนกันนี่แหละการพิจารณาจติตปฐฐานสี่กายเวทนาจิตธรรมขอให้พวกเราทุกๆท่านนะเมื่อเราอยู่ในจิปปฐฐานสี่ทุกอริยาบทยืนเดินนั่งนอนอยู่แล้วใจของเราจะไม่กระเสือกกระสนวุ่นวายรู้เท่ารู้ทันรู้มันรู้ตัว รู้เขารู้เรารู้ความเป็นอยู่รู้ทุกสิ่งทุกอย่างอยู่ด้วยความสงบพรมเยนเป็นสุขได้เพราะใจของเรามีสติปัฏฐานสี่เป็นเครื่องอยู่สติปัฏฐานสี่เป็นเครื่องพิจารณาสติปัฏฐานสี่เป็นเครื่องประคับประคองจิตใจของเราเพราะนั้นขอให้พวกเราทุกๆ ท, ท่านนะ ภาวนาให้อยู่ในสติปัฏฐานสีกายเวทนาจิตธรรมอันดับแรกกับพุโทโธพุโทโธเนี่ยเอาพุโทโธอย่างเดียวก็ได้นะอย่าให้ส่งใจไปทางอื่นเวลาเดินกับขาขวาพุทขาซ้ายโธเวลานั่งลมหายใจเข้าพุทหายใจออกโธเวลายืนกัยืนนิ่งหายใจเข้าพุทหายใจออกโทเวลานอนกับพุโทโธพุโทโธจนหลับเวลาเรานอนมีเมตตาอยู่ในจิตในใจ ความสงบพรมเย็นเป็นถูกก็จะอยู่ในที่ใจของเราอย่างที่ผมพูดเบื้องต้นว่าหน้าที่ของพวกเรานั้นคืออะไรหน้าที่ของพระนั้นคืออะไรถึงจะมีหน้าที่การงานภายนอกขนาดไหนอันนั้นคือเป็นเครื่องดูแลบํารุงกายเท่านั้นเองถึงจะบํารุงบำรเลดูแลดีขนาดไหนกายอันนี้ก็ยังแก่อถึงข้าวเจ็บมันก็เจ็บ และก็มีจุดจบขึงข่าวตายก็ตายไม่มีใครที่จะหลีกลียหนีพ้นไปได้เพราะนั้นคำพูดคำนี้เหมือนกับพูดง่ายๆแต่ใช่เห็นคนอื่นตายเราก็พูดได้แต่ตัวเองตายท่านนะมันไม่ใช่เรื่องเล็กนะเรื่องตายเนี่ยนะมันตัดทุกสิ่งทุกอย่างในโลกเพราะนั้นขอให้พวกเราทุกๆขั้นนะการมาปฏิบัติธรรมสูพ่พระคือให้ดูใจของตนเอง แล้ววันนี้หลวงพ่อเองได้เปิดเทปงานศพพระที่จังหวัดอุดรขอให้พวกเราฟังรู้ิว่าหลวงพ่อพูดอะไรในวันนั้นหลวงพ่อพูดแล้วก็จบแต่เป็นรูปพูดอะไรเหมือนกันขอให้พวกเราฟังฟังแล้วนั่งสมาธิฟังเลยนะทีนะเปิดได้นะเทปนะ